าแท้แห่งความเป็นพุทธะอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้ามีพระกายและมีพระใยหรือว่าอย่างง่ายๆก็คือกายใจพระพุทธเจ้ามีกายมีใจพระองค์ทรงเอาใจเป็นเครื่องพิจารณากายให้รู้ความเป็นจริงของกายในลนักษณะแห่งความเป็นปฏิกูลหรือเป็นธาตุดินน้ำลมไฟ ในขั้นวิปัสนาในลักษณะแห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาจนสามารถตรัสรู้ความจริงคืออริยสัจธรรมทุกสมุทัยนิโรธมักอย่างเด่นชัดแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็าเพราะอาศัยที่พระองค์มีใจรู้อยู่ที่พระกายนั่นเองดังนั้นเราทุกคนมีกายกับใจเป็นสมบัติของตัวเราเอง โดยเฉพาะเรามีใจใจเป็นธาตุแท้แห่งความเป็นผู้รู้ผู้ใดมีใจผู้นั้นได้ชื่อว่ามีธาตุแท้แห่งความเป็นพุท ธ, ธะอยู่ในตัวถ้าท่านสามารถจะกำหนดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเกิดสว่างขึ้นมีสภาวะตัวผู้รู้เด่นชัดอยู่ในใจของท่านนั่นแหละ คือพุทธะผู้รู้พุทธะผู้เบิกบานเกิดขึ้นในใจของท่านแล้วโดยวิธีกำหนดดูภูมิจิตในการปฏิบัติซึ่งกำหนดตามที่บรรยายมานี้